ไม่มีความกลัวก็เป็นผู้ไม่ควรตัดสู้ไม่ควรเพื่อพานิพน์ไม่ควรบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมส่วนผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสความเพียรมีลักษณะต้องเผากิเลสเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวบาปเป็นผู้ควรเพื่อความตัดสู้ควรเพื่อพานิพน ควรเพื่อบรรลุทำเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมอย่างยอดเยี่ยมก็คือพระนิพพานนั่นแหละดูก่อนผู้มีอายุด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสนะพระสารีบุตรเนี่ยเป็นผู้มีปัญญาท่านจะต้องถามเสมอเลยถ้าถามแล้วเนี่ยถ้าตอบไม่ได้ท่านจะตอบให้คนมีปัญญาเนี่ยเขาจะถามเรื่องผลเรื่องเหตุนะเขาจะไม่ถามนอกเรื่อง สเรื de ่องนี un, e ้เลยคือว่าความไม่มีความเพียรเนี่ยบุคคลใดไม่มีความเพียรไม่มีความสะดุ้งกลัวมันต้องมีเหตุมาไม่มีความเพียรไม่มีความสะดุ้งกลัวเนี่ยเป็นผลเมื่อเป็นเมื่อมันมีความเมื่อไม่ไม่มีความเพียรไม่มีความสะดุ้งกลัวก็จะเลยไม่ไม่ไม่ได้ผลต่อไปคือไม่เพื่อความตัดสุขไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยม ก็ด้วยเหตุเพียงเท่าไรจึงจักได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรแก่การตัดสรู้ควรเพื่อพระนิพพานควรเพื่อบรรลุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมถามเหตุผลสองอย่างเหตุอะไรที่ทําให้ขี้เกียจที่ทําให้ไม่กลัวแล้วเลยไม่ได้ตัดสรู้แล้วก็มีเหตุอะไรที่ทําให้ได้ความเพียรได้มีความสะดุ้งกลัวต่อบาปควรเพื่อจะ ตัดสรู้ตัดสรู้นี่คือมันคือรู้เองนะไม่ใช่ไปรู้ตามคนรู้คนนี้เขาหรือให้คนอื่นเข้ามาตัดสินว่าเออคุณรู้แล้วนะคุณเป็นพระโสดาบันแล้วนะซึ่งมีอยู่มากในสมนัยนี้ไม่ต้องนะไม่ต้องไปอาศัยมนุษย์หน้าไหนทั้งนั้นในเรื่องการตัดสรู้ไม่ต้องปัญญาของเราเองนะ่ะเรามีความเพียรเองเรามีความกลัวเรียกว่าโอดตับะเอง มีเหตุปัจจัยเองก็จะตัดสะรู้ได้ด้วยตัวเองแต่มีบางคนหรือบางกลุ่มหรือบางศาสนาบอกว่าจะตัดสะรู้ได้เนี่ยต้องอาศัยฉันนะถ้าฉันไม่บอกก็ไม่ต้องตัดสรู้กันนะไม่จะเป็นมันเป็นไปไม่ได้ใครตัดสะรู้คนนั้นก็ต้องตัดสะรู้ของคนนั้นเองท่านพระมหากรสปะกล่าวว่ากล่าวตอบผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ มีเหตุนั่นเองมีเหตุมีเหตุเพราะคิดว่าไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าเนี่ยเหตุเหตุที่ทำให้ไม่ทำความเพียรโดยคิดว่าอะกุศลธรรมลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแก่เราจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์นคือไอ้โลภโกรธหลงอะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นถ้ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เราถึงจะเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอากุศลทำลามกคือโลภกดหลงบางเกิดขึ้นไปแล้วเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์มันประเกิดไปแล้วแล้วเราก็ละมันไม่ได้ด้วยอันนั้นแหละจะเป็นเหตุให้ทำให้เกิดความเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลส โดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลธรรมก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเป็นประธานเนี่ยเมื่อมันไม่เกิดขึ้นแกเราจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่ทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแกเราเมื่อดับไปกุศลธรรมหรืออกุศลเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับนะ ถ้ามันเกิดแล้วไม่ดับนี่แย่มันกันคือคือถ้าโลภมันเกิดแล้วไม่รู้จักดับเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องทําอย่างอื่นแล้วไม่สามารถจะทําทานศีลอะไรได้แต่ไอทานศีลเนี่ยควรจะให้เกิดนานๆเกิดไปบ่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะเกิดซะด้วยกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ ผู้มีอายุด้วยการอย่างนี้แลภิกษุจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความเพียรเครื่องเผากิเลสนะฟังแล้วก็เข้าใจยากนะนะคือคิดเท่านั้นเองว่าโอ้ไอ้โลภโกรธหลงมันยังไม่เกิดขึ้นนะเอาไว้ให้มันเกิดแต่มันจะเสียประโยชน์เลยไม่ต้องไปทําความเพียรเพื่อเผามันเพราะว่ามันยังไม่เกิดนี่เนี่นคิดแต่อย่างนั้นหรือถา้ามันเกิดขึ้นแล้วถึงเราละมันไม่ได้ ก็ช่างมันนะไม่ต้องไปทําให้มันหมดกิเลสถึงกุศลธรรมการคิดถึงกุศลแล้วคิดถึงบุญแล้วเนี่ยเออมันยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อมันไม่เกิดขึ้นก็ช่างมันไปอะไรมันพิดคิดซะอย่างนั้นนะมันคิดซะอย่างนั้นไปหรือกุศลธรรมที่เกิดแล้วดับไปก็แล้วกันไปมันก็ดับไปก็หมดกันไปก็เลยไม่มีความเพียรเพื่อเผากิเลส พรารีบุตรถามต่อไปว่าผู้มีอายุก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวนั้นเป็นอย่างไรอันที่อันแรกนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่มีความเพียรอันที่ไม่สะดุ้งกลัวพระมหากัสสปะตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอากุศลธรรมอลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้น จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ก็คิดแบบเก่าอีกแนละ้คือว่าไอ้โลภโกรธหลงมันยังไม่ได้เกิดแก่เราเอาไว้มันเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะเสียประโยชน์แล้วก็มันยังไม่เกิดก็แล้วกันไปไม่กลัวนะไม่จะรุ่มกลัวเพราะคิดว่าโดยคิดว่าอากุศลกรรมอกุศลธรรมที่ลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันเกิดไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยนะเมื่อเรายังละไม่ได้จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ ก็ละ um. ไม่ได้แล้วก็แล้วไปไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นกุศลนี้หมายถึงโลภโกรธไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อไม่เกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่สะดุ้งกลัวโดยคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับเมื่อกุศลธรรมเหล่านั้นดับจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ ผู้มีอายุด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งกลัวผู้มีอายุด้วยอาการอย่างนี้แหลภิกษุเป็นผู้ไม่มีความเพียรเพื่อเพื่อเผากิเลสไม่มีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ไม่ควรเพื่อความตับสรุ้ไม่ควรเพื่อพระนิพพานไม่ควรเพื่อบรุธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมความจริงมันควรจะนี่นี่เป็นความเนอัตมานะ ควรจะเป็นว่าโดยไม่คิดว่าน ะ, นะคือหมายความไม่สะดุ้งกลัวเพราะไม่คิดว่าอกุศลธรรมอันชั่วเนี่ยคือโลภโกรธหลงที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เรามันยังไม่เกิดก็จริงแต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ไม่ได้คิดอย่างนี้แต่นี่ในในในในในพระสูตรเนี่ยหรือที่พิมพ์มันเนี่ยมันไม่มีคาว่าไม่เดี๋ยวไปดูต่อ นิภาษาดิบุตรถามต่อว่าผู้มีอายุก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสตั้งเป็นอย่างไรภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทําความเพียรเครื่องเผากิเลสนี่มันควรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆโดยคิดว่ากุอะกุสนธรรมคือโลภโกรธหลงอันชั่วที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ก็เลยทําความเพียรเครื่องเผากิเลส นี่มันต้องคิดนะอันอันแรกนั้นไม่คิดแต่ไม่มีไม่ตัวตัวไม่ไม่มีมันก็เลยมาเป็นเหตุที่ตับสนนะมันต้องคิดไม่เหมือนกันมันถึงจะไปทำความเพียรทำความเพียรเครื่องเผากิเลสโดยคิดว่าอากุศลธรรมคือโลภโกรธหลงอันชั่วที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อเรายังละไม่ได้ก็จะพึงเป็นไปเพื่อความเสี ย, ยชนอันนี้คิดแล้วถึงจะมีความเพียรว่า โอ้เนี่นะไอ้โลภโกรธหลงเนี่ยถึงแม้มันเกิดขึ้นไปแล้วแต่เราก็ยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้โลภโกรธหลงนั่นแหละมันก็จะทําให้เราเดือดร้อนเสียประโยชน์ก็คือแปลความว่าไม่ได้โลภไม่อไม่ได้มรรคผลนิพพานก็เลยทําความเพียรเครื่องเผากิเลสหรือมาคิดว่ากุศลธรรมนะกุศลธรรมคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงหรือศีลสมาธิปัญญายังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้น ก็จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์เพราะนั้นให้มันมีซะเถอะให้มันมีกุศลเราทำไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มีให้มันบริบูรณ์ขึ้นมาก็เลยทำความเพียรหรือคิดว่ากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแก่เราเมื่อดับมันมีแล้วมันไม่มีต่อไปอีกอะคือมีไอ้นามาแทรกแซงคือมีอกุศลโลภโกรธหลงมาแทรกอีกเพราะฉะนั้นก็จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ ด้วยอาการอย่างนี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสคือต้องคิดให้มันถูกวิธีเนี่ยเขาเรียกว่าโยนิโสมะนะสิการเราต้องจําไปใช้บ้างคือถ้าเราจะมีความเพียรเนี่ยเราต้องคิดว่าให้อากุศล น, นะถ้ามันยังไม่เกิดก็จริงยังไม่เกิดขึ้นแก่ใจตอนนี้ก็จริงแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ได้นําประโยชน์เลยมันนําแต่เรื่องเสียประโยชน์เรียกว่าเสียเปรียบมันนะ่ะ เพราะว่ามนุษย์เราชอบพูดเรื่องเสียเปรียบได้เปรียบแต่เราเข้เขาใจผิดนะนึกว่าเราโลภเนี่ยเราได้เปรียบแต่ยิงโลภเนี่ยเสียโลภแล้วไม่มีได้ดีนะ่ต้องคิดให้มันถูกจะได้ทําความเพียรเพื่อเผากิเลสไปหรือคิดถึงความโลภโกรธหลงที่มันเกิดขึ้นแล้วเราเห็นแล้วว่ามันมีอยู่แล้วเรายัางละไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องทําให้เราเสียประโยชน์แน่นอนจะต้องละมันให้ได้ คือคิดในแง่ที่ที่จะทำให้เกิดความเพียรโดยคิดโดยถูกวิธีโดยแยบคายหรือคิดถึงกุศลก็เหมือนกันนะก็ต้องคิดว่าไอกุศลอย่างนี้เราไม่มีสันโดษเรายังไม่มีมักน้อยเรายังไม่มีต้องทำให้เกิดขึ้นถ้ามันไม่เกิดแล้วมันก็ทำให้เสียประโยชน์ประโยชน์อะไรก็คือเสียความสุขที่ควรจะได้เสียความพ้นทุกข์ที่ควรจะได้เพราะนั้นต้องทา อันนี้จึงจะเข้าเรื่องนะภาษาที่บุตรถามต่อว่าผู้มีอายุก็ภิกษุชื่อว่าเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวนั้นเป็นอย่างไรพระมหากัรสป่าตอบว่าผู้มีอายุภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมสะดุ้งกลัวโดยคิดว่าอากุศลธรรมอัลลามกที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อเกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ออันนี้ก็แบบเดิมอะกลัวเลยว่า อ๋อไอ้โลภโกรธหลงอันชั่วช้าเนี่ยนะถึงมันยังไม่เกิดขึ้นตอนนี้นะแต่ถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะต้องทําให้เราเสียประโยชน์อย่างมากมายที่สุดเพราะฉะนั้นต้องกลัวมันไว้หรือกลัวโดยคิดว่าอกุศลธรรมอลามกที่เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันเกิดขึ้นตอนนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราก็ยังละไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะทําให้เกิดความเสียประโยชน์อย่างใหญ่กลัวมันแรก เกิดแล้วก็พอมันเกิดขึ้นมาแล้วก็กลัวมันเลยนะกลัวมันต่อไปอันนี้กลัวเนี่ยเป็ น, ปนกุศล น, นะเรียกว่าโอดตับปลเช่นเดียวกันคิดว่ากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่เราเมื่อไม่เกิดขึ้นจะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ก็เลยสะดุ้งกลัวว่าโอ้เรานี่ไม่มีเลยนะทานศีลภาวนาอะไรยังไม่เจริญเลยเพราะฉะนั้นจะเสียประโยชน์แน่ก็เลยสะดุ้งกลัวแล้วก็คิดถึงกุศลธรรมว่า กุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วแกเราได้ดับไปก็จะพึงเป็นไปเพื่อความเสียประโยชน์ด้วยอาการอย่างนี้แหละภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุเป็นผู้มีความเพียรเครื่องเผากิเลสมีความสะดุ้งกลัวเป็นผู้ควรตับสรุ้ควรเพื่อพนิพพานควรเพื่อบรุษทำเป็นแดนกเกษมจากโยคะอย่างยอดเยี่ยมดังนี้จบอนโนตตาปีนะ อโนดก็คือกลัวนั่นแหละแล้วก็ตาปีก็คือความเพียรอะโนดก็เลยว่าไม่เพียรไม่เพียรกับไม่กลัวอ่ ะ, อะขออภัยโอดโอทตัโอทตัตปะนี่มันกลัวเมื่อมีณเข้าไปก็เลยไม่มีไม่มีความกลัวท่านอธิบายว่านะอะคุศลบาปธรรมนี่ในอัตถกถานะมีความโลภเป็นต้น ย่อมเกิดขึ้นแกภิกษุผู้มีปัจจัยปัจจัยคือได้จีวรเมื่อได้จีวรแล้วเนี่ยโลภมันจะเกิดหรือโกรธจะเกิดหรือหลงจะเกิดได้บิณาบาศก็เหมือนกันเ ท, ท่านบอกต่อไปว่าตนยังไม่เคยได้วัตถุเป็นที่พอใจอย่างใดอย่างหนึ่งของอุปถาะอุปถากก็เป็นชายหญิงเนี่ยที่จะนำเอา พอใจสี่ที่น่าพอใจมาให้เนี่ยเขายังไม่ได้ให้หรือว่าลูกศิษย์ยังไม่ได้เอามาให้ก็ถือเอาว่าไอ้สิ่งนั้นนั้น่ะเป็นของดีเป็นของงามนำความสุขมาให้ดังนี้เรียกว่าคิดโดยไม่แยบคายคิดโดยไม่แยบคายคิดว่าเขาควรจะเอาอะไรอะไรต่างๆมาให้แกเราให้อากุศลเหล่านี้นะ่ะมันยังไม่เกิดขึ้นนะ แต่ถ้าคิดผิดแล้วมันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นทันทีเลยมันเกิดขึ้นได้แล้วเกิดขึ้นมาแล้วมันทำความเสียประโยชน์ให้นะอย่างนี้นะหรือลำพึงถึงอารมณ์อันไม่เคยมีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่แยบคายตามมีตามเกิดคือนึกถึงอย่างอื่นอีกโดยผิดวิธีนะแล้วมันจะทำให้เกิดโลภะเกิดโทสะก็พึงทราบว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าอากุศลบาปธรรม ที่ยังไม่เกิดขึ้นเมื่อยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้นะแล้วก็มันจะทำให้เสียประโยชน์ต้องคิดให้ถูกจึงจะเกิดความเพียรแต่ถ้าเผื่อคิดผิดไม่คิดแบบนี้ก็จะไม่ไม่เกิดความเพียรทีนี้คิดต่อไปอีกว่าบาปธรรมที่ชื่อว่ายังไม่เกิดขึ้น ในวัฏสงสารย่อมไม่มี้บาปที่เราไม่เคยมีน่ะไม่เคยทำนะ่ะนะในวัฏสงสารอันยาวนานเนี่ยมันไม่มีมันมีทั้งนั้นนะอันหนึ่งบาป ร, รมที่ยังไม่เกิดขึ้นแก่ภิกษนะุในเพราะไปนึกถึงปัจจสี่นะเป็นอารมณ์อันเคยมีมานะ หรือหมายความว่าหมายความบาปยังไม่เกิดเมื่อคิดถึงอารมณ์เมื่อคิดถึงปัจใจสีแล้วเนี่ยมันมีสติไปควบคุมได้หรือมีการรักษาศีลไว้บริสุทธิ์หรือมีการศึกษาการสอบถามด้วยการเรียนปริยัตหรือการทำก่อสร้างและทำไว้ในใจโดยแยบคายอย่างใดอย่างหนึ่ง ไอ้บาปเหล่านั้นนะ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นมาได้โดยเร็วด้วยการได้ปัดใจคือไปได้จีวรดีๆบิณฑบาตดีๆถึงมันยังไม่เกิดขึ้นก็าตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันจะต้องทำความเสียประโยชน์มาให้นะอันนี้นะแล้วเราก็ยังละมันไม่ได้เมื่อละมันไม่ได้แล้วเนี่ยคือละไม่ได้โดยมัคมัคคปัญญา เราควรจะทำความเพียรเราควรจะสะดุ้งกลัวแล้วก็คิดถึงกุศลธรรมว่าทำที่ดีงามคือศีลสมาธิเป็นยาเมื่อมันดับไปเพราะยังไม่เกิดหรือด้วยอานาจที่มันเสื่อมไปมันมีแนละ้วมันเสื่อมไปอันนี้หมายถึงโลกียธรรมนะเอ๊ะมันเสื่อมไปนี่เราเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องเพียรทาเราต้องสะดุ้งกลัวอันนี้เป็นเป็น วิธีคิดที่เรียกกันว่าอะโยนิโสมนสิการคือคิดไม่เป็นคิดไม่เป็นหรือไม่คิดไม่คิดที่มันถูกวิธีกเรียกว่าอโยนิโสมนสิการก็ททำไว้ในใจโดยไม่ถูกวิธีก็ทำให้ความเพียรไม่เกิดความเพียรเพื่อจะละกิเลสไม่เกิดความกลัวกิเลสกลัวบาปไม่เกิดแต่ถ้าคิดโดยถูกวิธีนะอย่างที่ท่านแสดงไว้เนี่ยคือคิดว่าเอไอบาป หรืออกุศลเช่นโลภโกรธหลงเนี่ยถึงมันยังไม่เกิดขึ้นนะแต่ถ้ามันเกิดแล้วมันเสียประโยชน์เพราะนั้นต้องจัดการกับมันหรือยังละมันไม่ได้ต้องละมันให้ได้อย่างเนี้นะหรือว่าบุญกุศลเช่นศีลสมาธิปัญญาเออเรายังไม่มีนี่ถ้าไม่มีนั้นมันเสื่อมประโยชน์ต้องทําให้มีขึ้นเนี่ยมันมันเป็นความคิดที่เป็นเหตุให้เกิดผล โยนิสโสมนสิการคิดได้ถูกวิธีก็เป็นเหตุให้เกิดความเพียรเป็นเหตุให้เกิดความกลัวสะดุ้งกลัวต่อบาปถ้าไม่คิดหรือคิดผิดวิธีก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าสารีบุตรก็อนุโมทนาณนะ์อนุโมทนาว่าท่านพระมหากัสปะได้กล่าวไว้ดีทีนี้ต่อไปทีนี้คุณสมบัติของพระาของพระมหากัสปะในจันทูปมัสูตร เกี่ยวกับเรื่องภิกษุจงทําตัวเป็นเหมือนพระจันทร์ได้เคยบอกว่าพระจันทร์เนี่ยมันส่องไปโดยไม่เลือกบ้านไม่เลือกคนใช่ไหมอันนั้นเป็นคําอธิบายที่ผิดนะผิดไม่ถูก่ะจริงๆแล้วหมายถึงว่าพระจันทร์เนี่ยเมื่อส่องสว่างแล้วไม่ติดในที่ที่มันไปส่องอยู่อ่ะมันไม่ติดไปส่องที่ไหนก็แล้วตามมันก็ไปมันเรื่อยมันก็หนีไปเรื่อยไม่พัวพันไม่ติดเหมือนการภิกษุทั้งหลายก็ ต้องทำตัวเหมือนพระจันทร์ทำอย่างไรท่านแสดงไว้ว่าพระผู้มีพระราภาคเจ้าประทับอยู่ณนะพระเชตวันอารามของท่านอนนาตาบินติกาเศรษฐีกรุงสาวัตถีในที่นั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรียกภิกษุมาแล้วได้กล่าวาว่าดูกาลภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นประดุจพระจันทร์จงเป็นเหมือนดวงจันทร์เราไปดูดวงจันทร์นะว่าดวงจันทร์ก็มีลักษณะอย่างไรจงภาค กลายพรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิดเป็นผู้ไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลเถิดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษจะพึงพรากกายพรากจิตแลดูบ่อน้ำซึ่งขําค่าหรือที่เป็นหลุมเป็นบ่อบนภูเขา หรือแม่น้ำที่ขาดเป็นห่วงชั้นใดพวกเธอจงเป็นประดุดพระจันทร์จงพรากกายภรากจิตออกเป็นผู้ใหม่เป็นนิจไม่ขนองในสกุลเข้าไปสู่สกุลฉันนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายกัดสปะเปรียบประดุดพระจันทร์พรากกายพรากจิตออกแล้วเป็นผู้ใหม่อยู่เป็นนิจ คือไม่ทําความคุ้นเคยนะไม่ไปติดใจในชาวบ้านทั้งหลายที่เข้าไปบิดาบาตนะไม่ไปไม่ไม่ไปยินดีพอใจด้วยความโลภนะเรียกว่าภาคกลายภาคจิตออกคิดว่าตัวเองเป็นคนใหม่เสมอนะไม่ขนองในสกุลทั้งหลายเข้าไปสู่สกุลในคำว่าขนองเนี่ยมีมีสิ่งที่น่ารู้หลายอย่าง ดูก่อภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนภิกษุชนิดไรจึงสมควรเข้าไปสู่สกุลครูเจ้าสอนแล้วก็ถามย้ําอีกว่าบุคคลมีคุณสมบัติภิกษุมีคุณสมบัติอย่างไรแล้วควรเข้าไปสู่บ้านภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นรากฐานธรรมทั้งหลายก็ ทำสอนทั้งหลายเนี่ยที่ภิกษุได้มาเนี่ยเกิดจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยอันนี้ไม่ทราบว่าภิกษุสมัยนี้คิดกันแบบนี้หรือเปล่าสมัยก่อนเขาคิดอย่างนี้เขาไม่ได้คิดว่าเขาแน่แสดงเอง เราเป็นรากฐานเองเราเป็นผู้นำเองเราเป็นที่พึ่งอาศัยเองไม่มีเขาเขาต้องเาคิดเสมอเลยว่าข้อปฏิบัติที่พระเจ้าแสดงออกมาเนี่ยเป็นที่พึ่งอาศัยของชีวิตเขาได้จริงได้มาจากพระ เ, เจ้านำเขาพ้นทุกข์จริงนะเป็นรากฐานของชีวิตเขาได้จริงเขาถือพระ เ, เจ้าเป็น เป็นบ่กำเนิดของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้เนื้อความแห่งภาสิทธนั้นจงจำแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุน์ทั้งหลายได้สะดับต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้ดังนี้นะเขาก็พูดเป็นตำนวนนะว่าขอให้เนื้อความที่ผู้ดุจเจ้าจะแสดงเนี่ยเป็นคำพูดออกมาจงแจงแจ้งกับพระผู้ดเจ้าคือคล้ายๆว่า ขอให้พระปัญญาของพระองค์จ ง, จงแทงตลอดจงรู้โด ย, โดยโบริบรูบรณ์ บ, ร, บริสุทธิ์ในการแสดงคำตอบเหล่านี้นะแล้วพระพิสุท์ทั้งหลายก็จะทรงจําเอาไว้ไปปฏิบัติครั้งนั้นแลพระมูลภาคเจ้าทรงโบกฝ่าพระหัตถนะ์ในอากาศยกมือขึ้นโบกนะในในอากาศตัดว่าดูก่อนพิสุิ์ทั้งหลายฝ่ามือนี้ไม่คล่องไม่ยึด ไม่พัวพันในอากาศฉันใดจิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล้องไม่ยึดไม่พัวพันฉันนั้นคือฝ่ามือเนี่ยไปจับอากาศไว้ไม่ได้ไปยึดอากาศไว้ไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตของภิกษุทั้งหลายก็จะต้องทาเป็นเหมือนมือที่ไม่คล้องในอากาศ จิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลไม่คล่องไม่ยึดไม่พัวพันฉันนั้นเหมือนกันโดยตั้งใจว่าโดยคิดว่าผู้ปรารถนาราบจงได้ราบพระภิกษุใดที่อยากได้ราบก็ขอให้ท่านได้ราบผู้ปรารถนาบุญจงทําบุญชาวบ้านชาวสกุลถ้าอยากจะได้บุญอันเป็นเหตุแห่งความสุขก็จงทําบุญไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรนะดังนี้ภิกษุเป็นผู้พอใจ ดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนก็คือสันโดษคือได้แล้วก็ดีใจที่ได้ได้อย่างไรดีใจอย่างนั้นชั้นใดนะิกษุเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนชั้นใดก็เป็นผู้พลอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนหล่าอื่นชั้นนั้นนะคือเราได้ลาบเราดีใจในลาบของเราเออได้อาหารอย่างนี้ได้จีวร อ, อย่างนี้ คนอื่นเขาได้อย่างไรเราก็ดีใจเหมือนกันเหมือนกับเป็นของเราถึงถึงจะเป็นภิกษุรูปอื่นสามเณรรูปอื่นก็ทําใจให้เหมือนกันให้พอใจดีใจเหมือนกันให้ชื่นใจโมทนาสาธุเหมือนกันภิกษุผู้เห็นปานนี้คือคือทำได้อย่างนี้จึงควรเข้าไปสู่สกุลภิกษุทั้งหลายจิตของภิกษุผู้เข้าไปสู่สกุลไม่ค้องไม่ยึดไม่พัวพันในสกุลทั้งหลาย โดยคิดว่าผู้ปราถนาราบจงได้ราบผู้ปราถนาบุญจงทําบุญดังนี้กัสปะคือพระมหากัสปะเถระเป็นผู้พอใจดีใจด้วยลาบตามที่เป็นของตนชั้นใดก็เป็นผู้พรอยดีใจผู้พรอยพอใจดีใจด้วยลาบของชนราวอื่นชั้นนั้นพูงง่ายๆก็คือไม่อิจฉานะความไม่โลภเนี่ยแล้วก็เลยไม่ไม่ไปอิจฉาพระภิกษุอื่นว่า โอ้เขาได้ลาบดีกว่าเราหรือไปดูหมิ่นว่าโอ้ยเขาได้ลาบแย่กว่าเราสู้เราไม่ได้อันนี้ไม่คิดอย่างนั้นเขาได้อย่างไรก็ดีใจโอ้เขาได้เหมือนเราได้เราได้ก็เหมือนเขาได้พอใจเหมือนกันมันได้เหมือนกันนะนะได้ลาบเหมือนกันแล้วเขาได้บุญก็พอใจก็เหมือนกันเขาปรารถนาทําบุญก็ขอให้เขาได้บุญไปตามที่เขาปรารถนาอย่างนี้นะต้องคิดอย่างนี้ซะก่อนไม่ใช่คิดว่า เราต้องได้ลาบดีกว่าคนอื่นโยมต้องทำให้เราดีเรานี่จะต้องไปอวดลาบของเรากว่าคนอื่นอย่างนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เรื่องแล้วไม่ควรเข้าไปสู่สกุลแล้วเพราะมันไปติดไปคล้องอยู่ในวัตถุสิ่งของนั้นดูความพิสูน์ทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นช่ไหน เทศนาธรรมะเทศนาของภิกษ um. ุชน uh. ิดไหลไม่บริสุทธิ์ธรรมะเทศนาของภิกษุชนิดไหลบริสุทธิ์อ่าหมดเรื่องไปแล้วนะหมดเรื่องการข้องในสกุลและไม่ข้องในสกุลไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็มาถามว่าธรรมเทศนาของภิกษุเทศนาว่าแสดงเนี่ยอย่างไรจึงจะเรียกว่าไม่บริสุทธิ์แล้วอย่างไรจึงจะเรียกว่าบริสุทธิ์ ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นรากฐานมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้นำมีพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นที่พึ่งอาศัยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้เนื้อความแห่งภาสิทธนี้จงแจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิดภิกษุทั้งหลายได้สดับต่อพระพผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจําไว้ดังนี้ พระมีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีใส่ใจนี่คือมณัสิการให้ให้ถูกวิธีนะเราจักกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระมีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข่าพระศาสดาได้ตรัส ด, ดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าย่อมมีความคิดอย่างนี้ ย่อมแสดงธรรมแก่ชนเลาอื่นว่าคือคือคิดซะก่อนที่จะไปแสดงธรรมว่าโอ๋หน่อชนทั้งหลายพึงฟังธรรมของเราธรรมะของเราซะอีกแล้วก็แลขั้นฟังแล้วพึงเลื่อมใสซึ่งธรรมให้ให้เลื่อมใสให้ให้ชอบใจให้ศรัทธานะผู้ที่เลื่อมใสแล้วเท่านั้น พึงทําอาการของผู้เลื่อมใสต่อเรา น, ะ, นะให้ให้แสดงกากาเรเลื่อมใสต่อผู้แสดงต่อตัวเราเลื่อมใสในธรรมนาและแล้วก็ให้มาเลื่อมใสามากๆกับตัวเราเองตัวผู้ตัวผู้แสดงธรรมดังนี้ภิกษุทั้งหลายทมเทศนาของภิกษุอย่างนี้แหลไม่บริสุทธิ์จะให้เขามาเลื่อมใสเรา คิดอย่างนี้เอ า, าให้ฟังธรรมของเราแล้วก็ให้เลื่อมใสธรรมแล้วให้เลื่อมใสซึ่งธรรมแล้วนะกข็ขอให้แสดงอาการของผู้เลื่อมใสต่อตัวเรานะว่าเราเนี่ยแสดงธรรมได้ดีได้เก่งได้เลิศนะส่วนภิกษุใดแลเป็นผู้มีความคิดอย่างนี้ว่าแสดงธรรมแก่ชนเหล่าอื่นนะ โดยคิดว่านะพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วต้องคิดซะก่อนด้วยความเห็นจริงว่าพระพุทธ เ, เจ้าเนี่ยตัดคำสั่งสอนไว้ดีแล้วคือพระองค์ทรงแสดงถ้อยคำอันนำผู้ฟังเนี่ยไปสู่มรรคผลนิพพานดีจริงๆนะเข้ากันได้สนิทนะ ถ้อยคำก็ปฏิบัติได้ปฏิบัติแล้วก็ได้ผลคือได้มรรคผลนิพพานจริงคือพระธรรมตัวจริงคือโลกุตตะธรรมคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนี้ถ้อยคำํำนิพพเจ้าแสดงทั้งหมดน่ะแสดงก็แสดงมรรคสี่ผลสี่นิพพานให้เกิดแก่ชีวิตของผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมได้จริงๆจะแสดงแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยเพื่อเพื่อโลกุตตรธรรมเท่านั้นน่ะจึงชื่อว่าตัดไว้ดีแล้ว ให้เราเนี่มันไม่ได้แสดงเพื่อสิ่งนี้หรอกเราจะแสดงให้เพื่อตัวเราได้อย่างเนี้งไม่ไม่ถูกเพราะฉะนั้นจะต้องคิดว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าจัดไว้ดีแล้วคือดีทั้งตัวจริงตัวจริงคือมรรคผลนิพพานเนี่ยดีจริงๆมรรคนี่ดีเพราะประหารกิเลสฆ่ากิเลสตายไปเลย